พระธรรมเทศนาแผ่นที่49ลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่4มิถุนายน2555วันวิสาขาบูชามีชื่อเรื่องว่าให้เลือกคบคนดี คณะสัทย า, าจยมลูกหลานทุกคนวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเป็นมหาบุรุษเอกในโลกเป็นผู้นำพระธรรมคำสอนออกมาประกาศเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติและก็เป็นที่ยอมรับกันทุ่นหน้า ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อนำมาประพุทธปฏิบัติแล้วมีแต่ความสงบปล่มเย็นเป็นสุขทั่วทุกหัวและแห่งถ้ามีธรรมถ้ามีธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประมานำมาประพุทธปฏิบัติอย่างศินห้าอย่างพวกเราจะสมาทานศินขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้แหละกำลังจะสมาทานสินที่หลวงพ่อจะเป็นผู้พานนะําตั้งแต่นโมตัส นโมตัสสะไปว่าเราลำลึกถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นบรมครูเป็นศาสด า, ศ า, ศ า, ศาเป็นต้นพระพุทธศาสน า, ศาเราต้องงอบน้อมพระ ค, คุณซะก่อนนี่แหละหลักของพุทธศาสนาให้ลำลึกถึงพระ ค, คุณอย่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเจ้าฟ้าเจอบแผ่นดินก็ตามท่านผู้มีพระ ค, คุณมาก่อนเราต้องลำลึกถึงพระ ค, คุณอน้อมลึกลำลึกถึงว่าพระ ค, คุณท่านเหล่านั้น ทำคุณให้แก่ประเทศชาติทำคุณให้แก่โลกทำคุณให้แก่เราอย่างไรอันนี้เพราะฉะนั้นเราจะรับศีลเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้ประทานคําสอนออกมาให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติเพตัวนั้นเราจึงน้อมเราจึงกล่าวนะโมนอบน้อมก่อนนะโมตัสตะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตั้สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น คือนอบน้อมพระพุทธเจ้าวรมครูต้นสาสดาเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งที่เรานำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามานํามาประพฤติปฏิบัติจากนั้นยังยืนยันอีกพุทธทางสรานางคัตฉามิทำมังสังขังสารนางคัตฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งดุติยามปีพุทธทางทำมังยืนยันเป็นครั้งที่สอง ข้าพเจ้าจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณทเป็นที่พึ่งเป็นแนวทางของชีวิตตาติยมปีพุทธทางธรรมังสังขังยืนยันเป็นครั้งที่สว่าข้าพเจ้าจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นํามาประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนที่เป็นศีลเป็นธรรมข้าพเจ้าจะนํามาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของข้าพเจ้าจากนั้นก็ พูดเป็นองค์ศิลปาณาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทธังสมาทิยามิข้าพระเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าเพราะว่าการฆ่าฆ่าคนอื่นเขาฆ่าเราเราฆ่าเขาไม่เป็นผลดีมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวยยายทุกหยบยาทุกหัวและแหงถ้ามีการฆ่ากันถ้าพวกเราคิดในการฆ่าพวกเราก็จะต้องอต้องเตรียมสัตราอาวุธไว้เพื่อจะต่อสู้คู่ต่อสู้ผลี่สุดก็เลยไปที่ไหนไมีแต่ เวรมิตรภัยจะหาความสงบพร่อมเย็นเป็นจุกไม่ได้ในชุมชนนั้นเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้าทุกคนวางอาวุธจาคิดฆ่ากันถ้าพวกเราไม่คิดฆ่ากันเราอยู่นสถานที่ใดก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่ละแวงแคลงใจกันรักเมตตากันนี่แหละคือศีลข้อที่หนึ่งถ้าพวกเราประพฤติปฏิบัติได้แล้วไม่ว่าทุกมุมโลกไหนมีแต่ความร่มเย็นเป็นจุกทั้งนั้น อันนี้คือสินข้อถิ่นข้อที่สองอธินาธานเวรมณีอย่าขโมยอย่าคิดขโมยกันถ้าพวกเราคิดขโมยกันคนนั้นคิดขโมยคนนี้เออขโมยสิ่งของตั้งแต่ขโมยรองเท้าขโมยของใช้เล็กๆน้อยๆจนถึงขโมยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาไปเรียกค่าไทยรวนแล้วจะเป็นเรื่องที่เดือดร้อนหุ่นวายทั้งหมดถ้าคนมีขโมยเต็มบ้านเต็มเมืองในยุคนั้นสมัยนั้นโลกยุคนั้นถ้ามีขโมยมาก โลกยุกนั้นจะมีความพลกมากโลกยุคใดก็ตามประเทศชาติของเราก็เหมือนกันน่ะถ้าว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตอยู่ที่ไหนก็ไม่ซื่อตรงต่อกันมีแต่คดมีแต่ขโมยมีแต่คดมีแต่โกงมีแต่คอรับชั้นเต็มบ้านเต็มเมืองพวกเราอย่าหวังเลยว่าในยุคนั้นจะมีความสงบพร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเรือดร้อนถ้าว่าพวกเรามีการให้นั่นน่ะจึงจะมีความสุขนี่แหละอธินาทานวเวรปณีอย่าขโมย ขโมยกับการให้มันตรงข้ามกันถ้าเราให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขคาว่าให้คานี้เรามีมากเราก็แบ่งให้จนเมื่อเรามีเงินร้อยบาทเนี่ยเราแบ่งให้เขาสัก5้าบาทตัวเราก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนเท่าไหร่ถ้าเรามีเข้าสารอยู่ในกรําร ม, มือของเรากำหนึงเราหยิบให้ไก่ได้สักสี่ห้าหกเม็ดสิบเม็ดเพื่อให้มันได้กินอุ่นท้องของมันมันก็ยังดีใจนี่แหละคือการให้ทานรลว่ก การขโมยเนี่ยมันตรงข้ามกันนะข้อที่สามาเมสุมิตสาจาราเวระมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครใครรักสงวนหัวแหนงของเขาตระกูลของเขาลูกของเขาหลานของเขาพ่อแม่พี่น้องของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาไปทําไม่เคารพอธิปไตยของเขาเขาก็เดือดร้อนเขาก็มีความทุกข์ใ่บางครั้งก็พูดไม่ออกแต่ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะเป็นผู้ใหญ่กว่ามีอํานาจเหนือกว่าแต่ในใจนั้น เออเต็มด้วยความทุกข์เออเพ้อเลออ่อนแลเบิดออกเออบางทีถูกฆ่าฟันรันแทงกันก็มีต่างเยอะแยะเนเพราะไม่มีทางออกนี่แหละต่อนี้ก็คือการเมสุมิชขาจาราเวรมณีต่างคนก็ต่างมีพอบมีครัวต่างมีศัก์มีสีสำหรับครอบครัวของเราตระกูลของเราเนี่ยอันนี้ให้เคารพซึ่งกันและกันอันนี้ข้อศีลข้อที่สมข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีอย่าไปโกหกต้มตุนคนอื่นของเขา ไปโกหกเขาจักจอกเอาทรัพย์ของเขาหลอกลวงเขาล้วนแล้วจะเป็นตระกูลโกหกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าโลกทั้งโลกไม่มีความซื่อสัตย์สุดจริตต่อกันแล้วโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนวุ่นวายอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นสินข้อที่สีของพระพุทธเจ้าถ้าเรานํามาพิจารณากันกลองไตรตรองเหตุและผลแล้วศิลของพระพุทธเจ้าอาข้อที่สี่นั่นก็เป็นสินที่อันตรายมากๆเหมือนกัน โลกบุ่นวายทุกวันนี้เพราะความไม่ซื่อสัตย์ไม่สุดจริตต่อกันโกหกต้มตุนหลอกลวงกันนี่แหละโลกทั้งโลกเดือดร้อนสินข้อที่ห้าสุราเมรยะมชะประมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่เครื่องดื่มหรือว่าเครื่องเสพต่างๆอย่างสุราคัญชายาฝิ่นเฮโรอี น, นยาบ้าก็ตะกูลยาตะกูลสุราเหมือนกันเพราะเสพและดื่มเข้าไปแล้วทาให สมองของเราปันป่วนผิดปกติเออเพราะเหตุไดเพราะว่าดื่มเหลวเสพเข้าไปแล้วทําให้ความคิดของเราเนี่ยผิดปกติไม่เหมือนคนปกติเ อ, อีผิดปกติคือคนอยังไงคือคนบ้าฮนะพูดง่ายๆว่าคือในช่วงนั้นพอดื่มเหลวเสพเข้าไปแล้วมันเป็นบ้ามันเป็นบ้ามันก็ไม่คิดไม่น่าจะทํามันก็ทําไม่น่าพูดมันก็พูดเออ แต่ถ้าว่าคนดีๆมีสติจะทําไม่ได้อย่างนั้นแต่พอเสพและดื่มเข้าไปแล้วมันทําได้เพราะมันขาดสตินี่แหละศินข้อที่หของพระพุทธเจ้าเมื่อเสพและดื่มเข้าไปแล้วเมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วในทุกอย่างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินในสื่อต่างๆคนดื่มสุราเมาสุราแล้วก็ข่านุ่นขานี่ทําลายขโมยขับรถเฉียวชนมันมีไปได้ทั้งนั้น เพราะนั้นศินของพระพุธทธเจ้าท่าพวกเราพุทธศาสนิกชนพวกอุบาสกอุบาสิกาพวกเราท่านทั้งหลายนำมาคิดนำมาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วมีคุณค่ามีประโยชน์มหาศาลต่อพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นคนโบราณหรือว่าปู่ย่าตายายของพวกเราที่นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อมีศาสนาพิธีขึ้นมาอย่างน้อยก็เป็นการกระตุ้นเตือนให้พวกเรา อย่าหลงละเิยเกินไปนะควรจะมีศีลธรรมอย่างน้อยถ้าไม่รักษาศีลก็ให้สํานึกไว้ว่าข้าพเจ้าจะไม่คิดฆ่ากันข้าพเจ้าจะไม่คิดขโมยกันข้าพเจ้าจะเคารพในสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่โกหกข้าพเจ้าจะไม่ดื่มสุราให้ขาดสติจนทําให้เสียหายฮเมื่อเราได้สํานึกด้วยว่าเราได้ฟังศีลห้าของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราจะสํารวมระหว่างวันนั้น วันสําคัญเช่นนี้เป็นวันวิสาขาบูชาอย่างนี้เช่นนี้วันนี้พวกเราจรึงพร้อมกันสมาทานศีลเพื่อเป็นเครื่องขัดเกลาทางกายวายจาของเราเพื่อเป็นคนดีในชุมชนและสังคมเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนและสังคมของพวกเราแลตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานําสมาทานศีล นะโมตัสสะปะโคะโตะอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้หลวงพ่อเห็นลูกหลานที่มาใส่บาตรตักบาตรที่ครูบาอาจารย์นํานักเรียนลูกหลานมาใส่บาตรบอกว่าประมาณส0มร้อยถึกว่าคนที่มาตักบาตรหลวงพ่อเออนี่ดีพ่อจะเป็นทายาทของพวกเราต่อไปภายภาคหน้าหลวงพ่อเองถ้าเห็นคณะทาญาติโยมผู้สูงอายุมาวัด หลวงพ่อก็ดีใจในระดับหนึ่งคือปู่ย่าตายายคือมาถึงบ้านปลายมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วก็ควรจะหันหน้าเข้าสู่วัดว า, าศาสนาหาหนทางไปสู่มักสู่ผลของตนเองเพราะทั้งโลกเราก็ได้ผ่านมาแล้วสู้มาแล้วทํามาแล้วเราก็ควรจะรู้จักปล่อยวางบ้างหลวงพ่อก็อุ่นใจในระดับหนึ่งว่าเอออันนี้ผู้เท่าเนี่คิดถูกแล้วผู้สูงอายุทางนี้คิดถูกแล้วเมื่ออายุถึงขนาดนี้เราจะไป มันลุงมงุูมางงามกับการกับงานกับลูกกับหลานมันก็ไม่น่าจะถูกควรจะหันหน้าเข้าสู่วัดว า, าศาสนาควรจะหามักหาผลใช้จิตใจของตนเองอีกไม่นานพวกเราก็จะจากเขาไปแล้วอันนี้ก็คือหลวงพ่อกคิดในระดับหนึ่งก็ถูกต้องแต่พอมาเห็นลกูกเห็นหลานเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาหลวงพ่อก็อุ่นใจในระดับหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะว่าเอออันนี้ถ้าวัดต่อไปภายภาคหน้าถ้าลูกหลานเห็นความสําคัญในทางพระพุทธศาสนา เห็นความสําคัญต่อวัดวาศาสนาลูกหลานเหล่านี้แลจะเป็นทายาทของพวกเราต่อไปภายภาคหน้าพระพุทธศาสนาก็จะไม่สุดซวยรวยแหลมเพราะลูกหลานเป็นผู้สืบทอดต่อไปภายภาคหน้าอยู่ต่อไปเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็จะรู้คุณค่าว่าเออสมัยเป็นเด็กได้เข้ามาสู่วัดวาศาสนาได้มาฟังเทศฟังธรรมได้มาปฏิบัติได้มาใสาบาตครูบาอาจารย์ลกปู่ลงตา เออหลงตาอินแท้หลงตาอินก็อยู่ไม่นานหลงตาอินก็ผ่านไปแล้วลูกหลานก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเออต่อมาก็จะได้บวชหรือว่าไดมาประพฤติธปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อได้วางไว้แล้วเนี่ยวัดนาคําน้อยแล้วก็สํานักที่จะสร้างขึ้นมาอีกนี่แหละเพื่อใครเพื่อลูกหลานเพื่อทายาทของเราเหล่านี้แหละอันนี้หลวงพ่อก็อุ่นใจในระดับหนึ่งเหมือนกันพาลูกพาหลานเข้าวัดเข้าวานพาลูกหลานพาทำบุญใส่บาตรอย่างเนี้ย นี่แหละคือปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของหลานให้เป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางให้เป็นผู้มีจิตใจเสียสละฮะแต่พ่อแม่บางคนเห็นลูกทําอะไรให้คนอื่นเขาเนี่ยยายาํ า, า, ายาทำผลในสูตรสอนให้ลูกหลานขี้ตีนทีเหนียวต่อไปเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาพอเขามีการมีงานแล้วเขาก็เสียสละไม่ได้เขากินเองนกินได้กินใช้ใจ่ายเท่าไหร่ใช้ได้สุ่วยสุช่ายไปหมด จะให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะพ่ อ, พอแม่สอนมาไม่ยอมให้เสียสละนี่แหละตรงพ่อว่าพวกเราต้องสอนลูกสอนหลานให้เสียสละบางทีเห็นตู้บริจาค เ, เขาเขีย น, นบอกคนตาบอดบัง่งโรงพยาบาลบัง่งช่วยคนชราบ้างถ้าลูกหลานเออเอาไปใส่ไปหลานไปลูกไปเอาไปใส่สักบาทสองบาทก็ไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหนจากนั้นเขาเอาไปบริจาคในตู้ พอบริจาคเสร็จแล้วเนี่ยนี่นะอันนี้ช่วยคนสาธารณะนะหลานนะลูกนะต่อไปภายภาคหน้าเอาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเมื่อเห็นคนตกทุกข์ในยากเห็นพี่น้องตกทุกข์ในยากเขาก็จะมีน้ำใจเสียสละให้ใพ่อแม่ของเขาตกทุกข์ในยากเขาก็เสียสละให้เพราะอะไรเพราะมีอุปนิสัยวางไว้แล้วพ่อแม่วางไว้แล้วว่านี่คือการเสียสละเมื่อคนเสียสละอย่างนั้นแล้ว เมื่อเห็นคนตกทุกข์ในยากพ่อแม่ตกทุกข์ในยากพี่น้องตกทุกข์ในยากเขาก็จะช่วยนะแต่บางคนไม่มีอุปนิสัยทางนี้เนะี่ยพ่อแม่สอนในกีตนีมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กพ่อใหญ่ขึ้นมาก็กินตัวเองกินแต่มองไม่เห็นพี่เห็นน้อง เ, ออเห็นวงศาคะฆานายาตพ่อแม่ก็มองไม่เห็นอีกเออพราะเสียดายแต่ตัวเองกินไม่เสียดายนะอย่างนั้นก็มีนะเพราะนั้นพวกเราที่เป็นพ่อแม่ของลูกของหลาน ควรจะปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของหลานเอาไว้นะอันนี้หลวงพ่อเตือนเตือนและบอกกล่าวให้แก่พวกเราให้เป็นข้อสังเกตนะจริงไหมที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้นะมันเป็นความจริงนะหลักของพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นนะและก็วันนี้เป็นวันสําคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตัดสู้พระพุทธเจ้าของเราเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงกบินแลพัด มเมื่อครองกบิลพัทละอายุ29ปิปีท่านหนีออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าบำเพ็ญอยู่หปีบำเพ็ญอยู่ป่าจนวันเดือนหเพนวันนี้แหละไปอยู่6ปีท่านทำอะไรท่านก็ไปเหมือนกับไปทดลองวิทยาศาสตร์และไปทดลองเกษตรศาสตร์และไปทดลองอะไรที่ท่านต้องการสักอย่างหนึ่งแต่นี่เป็นท่านไปทดลองจิตศาสตร์เรื่องจิตใจไปทดลอง ดูเป็นเวลาทั้ง6ปีวันนี้เป็นวันสตรสาเร็จที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุในวันนั้นจากนั้นมาเป็นวันได้2555อปีนับแต่พุทธเจ้าปรินิพานมา255าปีแต่ว่าพุทธสยันตีปีนี้เป็นการฉลองใหญ่คือพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุนับแต่วันตัดสรู้นะเป็น2600ปีพอดี วันนี้แหละ 2,600 ปีแต่ถ้าว่านับที่พระพุทธเจ้าปรินิพานน 2,555 ปีแต่นับที่พระพุทธเจ้าตัดสรุรุในวัน6เพนวันแรกน่ะมาถึงวันนี้กขาว่า 2,600 ปีดัง น, นั้นพวกพุทธศาสนิกชนจึงมีการฉลองกันว่าทำบุญใน 2,600 ปีของพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งครบ 2,600 เพราะนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนท่านั้งหลายถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญควรจะประกอบแต่คุณงามความดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าพูดอย่าทำทําแต่สิ่งที่ดีวันนี้เพราะพระพุทธเจ้าบําเพ็ญอยู่หกปีท่านได้ตัดรู้อะไรพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตอนหัวค่ำธนวันได้ตัดรู้ปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนท่านมองดูสรรพสัตว์หรือว่ามองดูพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละ ดวงวิญญาณทั้งหลายทวสากลเนี่ยมาจากไหนมาเกิดออกจากที่นี่อยากไปไหนพระพุทธองค์ก็รู้หมดเพรว่าจุปะปะปะตูปปาตยานการตุติและการเกิดการตายของสรรพสัตว์กรรมของสรรพสัตว์กรรมรีกรรมชั่วของสรรพสัตว์พระพุทธองค์มองรู้ดูเห็นหมดอันน่นเอว่าจุปะปะปะปะตูปปาตยานอาสาวะขยะยานจวนจะสว่างพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าคือ ธรระใจพระไทยของพระองค์ให้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะใจบริสุทธิ์อัเดีวว่าสำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแปลว่าวันเดือน6เพนเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมาพระพุทธองค์ได้ตัดสรุปธรรม3มอย่างปุบเพนวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้จุตูปปาตยานการจุติของสรรพสัตว์ดูคนอื่นวิญญาณอื่นจวนจะสว่างพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุป อาสาวกขยายานนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้อะไรในวันเดือน6เพนนนั้นตัดสรู้ทำสามอย่างคือดูพระ อ, องค์เองว่าเรามาจากไหนมาเกิดที่นี่จว่าปุบเพนวิวัดแล้วก็ดูคนอื่นการเกิดการตายของคนอื่นแล้วก็ผล้นสุดท้ายว่าใจของเราเนี่แต่ละคนนี่มาจากไหนมาเกิดมันมาเกิดมาจากไหนเป็นอันดับแรก พระพุทธเจ้าว่าเกิดมาจากความโง่คือตัวอวิชชาอาวิชชาปัจจญาสร้างฆ่ารานขอให้พวกเราทุกท่านเกิดมาในพระ พ, พุทธศาสนาให้ศึกษาจต่นี่พระพุทธองค์เมื่อได้ตัดสรุแล้วท่านก็นำทมคำสอนออกมาประกาศเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาทีนี้มีมากมายเลย8 14, ปหมื่นสีพันพระธรร ม, มขันล้วนแล้วแต่พวกเราสมควรยิ่งจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้ วิชาทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เราจะรู้ได้เลยนะวิชาคณิตศาสตร์ก่อนที่เราจะรู้คณิตศาสตร์เราก็ต้องเรียนคณิตศาสตร์เวลาเราจะรู้กฎหมายเราก็ต้องเรียนรู้วิชากฎหมายกฎหมายไทยกฎหมายต่างประเทศวิชาแต่และ ว, วิชามันมีทั้งหมดแต่นี่วิชาของพระพุทธศาสนาห่วยขนาดนั้นหรอไม่ต้องเรียนก็รู้ได้อย่างงั้นเหรอไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นมันเรื่องละเอียดอ่อนมันมีต่างเยอะแยะมีขั้นตอนที่พวกเราจะต้องศึกษาแต่ขนาดศึกษา ทำฟันอย่างเดียวก็เรียนทั้ง6ปีหลวงพ่อโอโหเรียนทำฟันเป็นหมอฟัน32มสิี่ตนั้นเรียนทั้ง6ปีขนาดนั้นเชี่ยวเหรอนะีแล้ววิธีทำคําสอนของพระพุทธเจ้าล่ะจะลื้อภพรือชาติจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏรงสารจะเรียนเพียงประเดียวประดาวให้คนฟังให้ฟังพูดฟังให้ฟังเท่านั้นแหะไม่ต้องศึกษาก็รู้ได้จะเป็นอย่างนั้นเหรอไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องศึกษาในทำคําสอนของพระพุทธเจ้า ท่านสอนอย่างไรท่านแม่แนวอย่างไรมันมีมากมายเลยสำหรับพวกเราจะต้องฟังจะต้องศึกษาจะต้องเรื่องทานเรื่องศีลจะต้องเรื่องภาวนาเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันอย่างนี้ล้นวนแล้วจะเป็นแนวทางที่พวกเราจะต้องศึกษาทางนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายการอยู่ด้วยกันหรือการคบค้าสมาคมเพราะพระเจ้ดดทาท่านก็นสอน ให้คบกันญาณมิตรอย่าไปคบคนเลวอย่าไปคบคนไม่ดีฮะถ้าพบคนไม่ดีพวกเราจะพลอยไม่ดีไปด้วยนะแหมอย่างลูกหลานก็เหมือนกันลูกหลานนักเรียนทั้งหลายหรือว่าพวกเราท่านทั้งหลายทุกท่านถ้าพวกเราไปคบคนขายยาบ้าอีกสักวันหนึ่งเราก็อาจจะเห็นผลว่าเออมันขายยาบ้าเนี่ยตำรวจก็จับไม่ได้ปะ่ะพวกเราน่าจะขายแหมทดลองเลยสิมันรวยถ้าเกินนะเนี่ย พอในส่วนเราก็เลยไปขายยาบ้าพอตำรวจจับเข้ามาก็นุ่นแหละเ อ, อไปอยู่ในคุกในตารางนั่นแหละทินเพราะอะลรเพราะไปคบคนไม่ดีเพราะฉะนั้นการครบคนใดอาจจะเป็นเช่นคนนั่นแหละถ้าคบคนกินเหล้าเผลอเราจะกินเหล้าไปด้วยถ้าเราไปคบคนที่เล่นการพ น, นันเราก็พลอยเป็นคนการพ น, นันไปด้วยเ อ, อเราไปคบคนเล่นบัตรเล่นเบอร์อย่างนี้พอเขมาเบอร์มันจะออกตัวนั้นเลขมันจะออกตัวนั้น คนนั้นพูดอย่างนั้นหลวงพ่อน่านพูดอย่างนี้หลวงพ่อนี่พูดอย่างนั้นฝันอย่างนั้นคนนี้ฝันอย่างนี้นตีความหมายพอได้สู่กันเลยเป็นคนขี้บัดขี้เบื่อไปด้วยใชพอวันหวยจะออกเบอร์จะออกเนี่ยเราก็นอนไม่ได้อยากจะซื้อหวยพราะอะไรเพราะมันติดนิดสัยไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราครบคนใดจะเป็นเช่นคนนั้นแหละคบบัณฑิตนักปราชญ์ก็จะไปเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ถ้าคบคนพาลก็ไปเป็นพาลละชน ในล่ะในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวด้วยท่านสอนเอาไว้ท่านยกเป็นชาดกขึ้นมาหลวงพ่อชอบสอนเป็นชาดกนะเพื่อให้ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาให้เป็นความจำเอาไว้ในในชาติหนึ่งในสมัยครั้งพุทธกาลเนี่ยคือสมัยครั้งพระพุทธเจ้ามีพระภิกษุองค์หนึ่งไปคบค้าสมาคมกับลูกศิษย์พระเทวทัตนคือตามไม่จริงพระเทวทัตก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านั่นแหละแต่มันแหวกแนวออกไป ไปยุให้พระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพ่อฆ่าพ่อตายแล้วก็นั่นแหละเข้าไปครองใจของพระเจ้าอาชาติศัตรูจากนั้นพระเจ้าชัตรูกับธนุบำรุงพระเทวทัตต้องการอะไรพระเทวทัตก็เป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันมึงวิเทหะเน่ยจากนั้นก็พระเจ้าชาติตรูกัเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินกรุงราชคือจากนั้นทั้งก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันต้องการอะไรจากนั้นก็วางแผน ต่างๆวางแผนชั่วเนี่ยคบคนชั่วกว่ชั่วนะสรุปแล้วก็คือพระเจ้าอชาติศัตรูเนี่ยลูกของพระเจ้าพิมพิสาครคบกับพระเทวทัตก็เลยกลายเป็นคนชั่วไปเพราะคบกับคนไม่ดีจากนั้นก็วางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ใครจะฆ่าไม่ได้ในชาตินี้ฆ่าพระพุทธเจ้าไม่มีทางที่จะฆ่าได้แต่ว่าเขาก็วางแผนฆ่าจังหลายครั้งแต่ก็หลุดพ้นไปได้ แต่ตอนนี้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าพระเทวทัตเนี่ยลูกศิษย์พระเทวทัตโอ้โหรวยอาหารการบริโภคสมบูรณ์บริบูรณ์ญาติโยมนับถือเลื่อมใสพระองค์นี่ก่อยากจะไปไปเป็นหมู่ของลูกศิษย์พระเทวทัตพอเห็นว่าเทวทัตรวยแต่นี้พระสงฆ์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเห็นเอ๊ะพระองค์นี่ทำไมไปพบค้าสมาคมกับลูกศิษย์พระเทวทัตเป็นพระองค์นี่เป็นนกสองหัวงั้นเหร เข้าทางพระพุทธเจา้าด้วยเข้าทางพระเทวทัตน์ด้วยไม่เป็นฝักไฟฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพระสงฆ์ก็พูดกันเพระพระองค์ก็เรียกพระองค์นั้นมาฮเธอได้ไปคบกับฝักฝ่ายทางนั้นเหรอพระองค์นั้นก็สารภาพครับผมทําไมเพราะเห็นว่าทางนั้นเขามีอติเลตะลาบมากรวยกว่าก็เลยไปอยู่ไปคบไปกินไปอยู่กับเขาอย่างนั้นแหละครับผมพระองค์วิญญานะ ย่าไปคบกับคนที่ไม่ดีการครบกับคนไม่ดีจะไม่เป็นผลดีเนีชาติก่อนเนี่ยเธอเคยถูกลูกสอนมาแล้วเพราะการครบค้าสมาคมนี่แหละเธอเคยถูกลูกสอนมาแล้วเคยตายกับลูกสอนมาแล้วพระสงฆ์ทางหลายกระราบภูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระพุทธเจ้าวข่าที่พระองค์นี้เคยถูกลูกสอนมานะ่ะเป็นเพราะอะไรพระเจ้าข่านะพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่ง เราเป็นราชสีห์อยู่ในถ้ำแล้วก็มีเมียราชสีห์และมีลูกชายและมีลูกสาวเป็นราชสีห์ด้วยกันอยู่ในถ้ำคือราชสีห์ก็คือสิงโตใหญ่นะแต่นี้พอต่อมาลูกชายเขาไปได้เมียเป็นนางราชสีห์อีกแล้วก็มาอยู่ด้วยกันเป็นห้าชีวิตต่อมาราชสีห์หนุ่มตัวนี้มีสติปัญญาว่องวคล่องแคล่ว ไปหากินในสถานที่ต่างๆแล้วก็ฆ่าพวกเก้งพวกกวางพวกสัตว์ป่ามาเลี้ยงพ่อแม่ผม พ, พ่อแม่อยู่ในถ้าต่อมาวันหนึ่งถ้าเจอสีดุ่มตัวนี้ติดคลึกขนองเนะี่ยไปเจอกับหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกพวกเราคงจะเคยเห็นในโทรทัศน์มันตัวใหญ่นะหมาจิ้งจอกเห็นหน้าเจ ส, รรสีหรือเอสีกระโดดจะขำบ่หมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกนอนหงายท้องโอ้ยยอมแพ้แล้วเจ้านายเอ้ยจะกินก็กินจะยอม อยากกินผมเธอเอผมจะขอเป็นสวามิพักเป็นลูกน้องของเจ้านายถ้าว่าเจ้านายจะใช้ผมอะไรผมก็ยินดีอยากกินผมเธอราชสีก็คงจะอิ่มท้องพอสมควรแหละเอออ้าวถ้ามึงจะเป็นลูกน้องกูก็กูก็จะไม่กินมึงอ้าวตอนนี้ต่อไปมึงเป็นลูกน้องกูนะมาจิ้งจอกตอนั้นก็เลยเป็นลูกน้องราชสีเถอะพอไปเห็นที่ไหนก็ต้องวิ่งมาบอกเจ้านาย เออแก่งอยู่ที่นั่นกว้างอยู่ที่นี่เอามั่งอยู่ที่นี่ตัวละมั่งอยู่ที่นั่นอ ง, ง์อยู่ที่นี่เอากับมาบอกเออเขาาเป็นสี่ตาอนะไรนี่นี่แต่ก่อนมีสองตาเองพราะอ น, นี้มีหมาจิ้งจอกเขาดวยเป็นเป็นสี่ตาเป็นผู้สอดแนมให้นะเออตอนนี้ก็ตนทาจษศีก็โอ้ดีหมาจิ้งจอกเป็นผู้บอกแนวทางให้อไปหาสัตว์ก็ได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็พาหมาจิ้งจอกเจ้านั้นกลับ พาไปหาพ่อเถอะพอเด็กคาบเนื้อมาได้แหละแบ่งให้หมาจิ้งจอกด้วยแล้วก็คาบเนื้อไปให้พ่อแม่ในถ้าด้วยฮพอพ่อเห็นหมาจิ้งจอกตัว น, นั้นทน่ะพ่อก็เลยบอกว่าเอ้ยลูกอย่าไปคบกับคนถ่อยนะอย่าไปคบกับหมาจิ้งจอกนะหมาจิ้งจอกเนะี่ยไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้นะอย่าไปคบนะถ้าคบเนี่ยลูกจะเสียหายนะไปคบกับคนถ่อยไปคบกับสัตว์ที่ถ่อยกว่า พอเราเป็นตระกูลที่สูงส่งตระกูลราชสีจจะไปครบกับหมาจริงจอกจะนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะชักนำไปในทางชั่วนะพ่อบอกพ่อเตือนแต่ราชสีหนุ่มตัวนี้โอ้ยหมาจริงจอกภาษาอะไรมันเป็นลูกน้องของเรามันจะมีอะไรที่จะมาทำร้ายเราได้เนีถ้ามันไม่ดีแล้วตะปบทีเดียวมันก็จบไปแล้วราชเสี็จทนงในตัวเองค่ แต่มันไม่ได้คิดว่าหมาจิงจอกนั้นจะต้มลักษณะอย่างไงมันไม่ได้คิดราชสีห์หนุ่มนะพอวันหนึ่งเท่นี้หมาจิงจอกตัวนั้นมันก็บอกเอ่กวางก็เคยกินแก้ง เ, เคยกินหมูป่าเคยเคยกินเอสัตว์ทั้งหลายทั้งปงกระตุ้กระตายเคยกินมดอีหงอีเห็นเคยกินมดแต่ไม่ยังไม่เคยกินหมาก็เลยบอกให้ราชสีห์เจ้านายเจ้านาย สัตว์อื่นเราก็ได้กินหมดแล้วยังม้านะยังบม่ได้กินเอ้มันอยู่ที่ไหนม้าเนะนีย่ยอยู่ใกล้ๆแถวกรุงพาราณสีนะนะแต่เป็นสัตว์มนุษย์เขาเลี้ยงไว้นะแต่เราจะไม่เคยกินนะ อ, อยู่ที่ไหนไปพาไปดูม้าเจียงจอกกัเดินเดินพาไปดูก็นนั่นแหละอยู่แถวนั้นลนะาดเสือศีกับพอรู้ว่าอยู่แถวนั้นแต่กระโจนไปเลยด้วยความเร็วของราชสีไปกัคาบมา้าวิ่งมาเลย เลีงมาก็มาแบ่งให้หมาจริงจอกินส่วนหนึ่งจากนั้นก็คาบมาให้พ่อแม่กินพ่อเห็นนะโอ้ลูกอย่านะลูกนะอันนี้เป็นม้าเนะีเป็นของมนุษย์นะมนุษย์จิตปัญญาของเขาเสียแผลงจริงๆนะถ้าขืนไปกินม้าเขานะลูกจะรอดยากนะตายนะลูกนะอย่านะอย่าไปกินนะเพราะมนุษย์เขาเป็นผู้มีจิตปัญญาเสียบแหลงมากเลขกลของมนุษย์นี่มีมากมายเลยเสัตว์ในโลกนี้ว่ะ มนุษย์เนี่ยนแะเป็นผู้หัวแหลมปัญญาเสียแหลมที่สุดยาไปใกล้มนุษย์นะลูกนะต้องห่างนะแต่ราชสีตัวนี้คึกขนองเอ้ยเรานี่ยรวดเร็วยิ่งกวัดลมพัดอีกใครจะเอาอะไรกับเราได้วะเราไม่กลัวใครทั้งหมดในพื้นปฐพีเนี่ยราชสีมันทะนงตัวนะเอจากนั้นก็เพ้อเพ้อกินสัตดอื่นพอนั้นแหะก็ไปคาบม้ามาอีกแต่ในมันมา้ามันเอาเอาอกเข้าในกำแพงเมืองที่เลย โอ้ชราเศ ส, สีมันมารบ ก, กวนมาา้าเขาเขาเข้ากำแพงเมืองขนาดเอาเข้ากำแพงเมืองเนี่ยกระโดดเข้ากำแพงอีกไปคาบม้าอีกตอนนี้พระเจ้าแผ่นดินก็พระเจ้าพา ร, ราชนิสีก็ไปชุมแล้วจะไปชุมนายขมังธนูให้ขมังไปว่าเลิศในการแม่นธนูใหเหมือนกับคนแม่นปืนทุกวันเนี่ยคือแม่นในขมังธนูเลิศนี่ก็มาฝึกซ้อมกันเสร็จเรียบร้อ ย, ลยแล้วกับนายขมังธนูวางแผนกันเนี่ยใครจะอยู่ในตำแหน่งไหน อยู่รอบกำแพงข้างกำแพงเตรียมพร้อมแล้วไงนพราะพระเจ้าแผ่ดินสั่งเสียบขาดให้ข้าราชสีตัวนี้ให้ได้นะ่มันกินม้าเนี่ยพอในคำบังคมบกทั้งหลายทั้งปวงก็เตรียมพร้อมกันเน่ยธนูราชสีตัวนั้นกับมันเคยมาอย่างไงมันก็ว่ามันมันเร็วใช่ไหมมันก็โดดข้ามกำแพงปัดปอไปเสร็จแล้วเขาก็ไม่ยิงขณะที่มันข้ามกำแพงเพราะมันเร็วเออเพราะมันเปรียวเนี่ยเพราะมันยังไม่หนักเนี่ยพอมันไปคาบม้าได้เี้ มันข้ามม้าก็วิ่งอย่างเร็วอีกเหมือนกันนะแต่มันถึงยังไงมันก็ช้าเพราะมันข้ามม้าทั้งตัวใจมันหนักทนีงในขณะที่กําลังจะข้ามกําแพงเน่ยนายขมังธนกับเหนียวลูกธนกใส่เข้าไปเลยอาบด้วยญ้าพิษทงนี่อตบใส่ราชสีเท่านั้นแหละโอ้ยวางม้าเลยไงร้องอ้ากเลยไ อ, อกระโดดข้ามกําแพงไปอย่างไม่คิดชีวิตชีวาพอไปถึง วิ่งไปถึงหน้าถรร้อยาพิษก็ออกฤทธิ์ตายพอดีไงตายอยู่ในถ้ำของพ่อของแม่ของเมียของน้องสาวนะพ่อก็เลยบอกว่าเออลูกเอ้พ่อเตื่นแล้วไม่ฟังอย่าไปคบกับคนเลวอย่าไปคบกับคนถอยไปคบกับหมาจิ้งจอกพ่อบอกแล้วอย่าไปเข้าไปใกล้แดนมนุษย์มนุษย์เขามี ความสามารถก็มีสติปัญญาพร้อมที่จะเอาชนะต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายได้นี่ลูกไม่เชื่อเราหนอตายแล้วนะเออนะตายแล้วเนี่ยพ่อก็บอกว่าตายเพราะคบกับคนไม่ดีนี่แหละพราะพระเจ้าท่านสรุปชาดกว่านิทานหรือชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการครบค้าสมาคมกับคนไม่ดีอีกสักวันหนึ่งความหายเนะก็จะมาสู่ตัวของเราเพราะฉะนั้นการครบค้าสมาคมต้อง เลือกคบเหมือนกันให้คบกันระยะนามิตรให้คบเพื่อนที่ดีอย่าไปคบคนเลวอย่าไปคบคนชั่วอย่าไปคบคนไม่ดีเพราะนั้นพวกเราคณะทา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนวันนี้ได้มาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อได้ปรารบเรื่องวันวิสาขบูชาวันสําคัญเป็นวันชาคัญชะไหนพระพุทธเจ้าได้ตัดสรุ้อะไระและกระสินห้าของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อโลกมากขนาดไหนและกัการครบค้าสมาคมกับคู่คนให้เลือกคบกันญาณมิตรให้เลือกคบคนดีถ้าพวกเราครบคนชั่วคนไม่ดีพวกเราจะพลอยไม่ดีไปด้วยเพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนลูกหลานทุกคนที่มาสู่วัดว า, าศาสนาวันนี้ก็ขอให้พวกเราได้ นำไปคิดนำไปพิจารณากันกอ ร, รองไตรกรองด้วยเหตุและผลพวกเราจะได้รับความผาสุขได้รับความสงบผ่มเย็นเป็นสุขเดินทางไปในทางที่ถูกต้องความคิดจะเป็นสัมมาทิฏฐิในที่สุดด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนาตรไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนประสบแต่ความสุขความเย็นใจ ปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเถิดรับพรอนโมธนาให้พร